ดีใจสมาธิจารณาภาวนาพุโทโธโอปีหนึ่งเวลาหน้าทีผ่านไปไม่นานก็ได้มาเจอกันคือวันเดียวในมาพบพี่พบน้องในมาพบตุกพบหลานทายาิโยมที่จิตใจของใสจิตใจนอบน้อม เรารักศีลเราก็รักษาศีลให้สวยงามทั้งหมดนะงแตใจขึ้นมาเพิ่มมาจิตมันเป็ น, ปนมนุษย์ที่ถือต้องในโอ ว, วาทคำสอนของครู ข, ของอาจารย์ของสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าม <c oughs> ีใจ เราทั้งหลายในมีครูมีอาจารย์สืบท อ, อดมาืเป็นคนเมตตาเมตตาโปรดสรโลกทั้งหลายให้นี้จากกองทุก นี่จากความเกิดความเจ็บความเจ็บความตายคือพวกเรานั่งดูนั่งดูอยู่อย่างนี้แหละบางคนก็แยกออกมาดูอือเราแยกมันกัเป็นของมันอเองเปลยพังลังคะลงมาในถาดในขันอะไรแตจิต ใ, ใจก็เบิกบานสําราญขึ้นมสบายใจคือว่าดูดูไว้ก่อนดูก่อนไฟไหม้ดูก่อนมันเปลยมันพังไปตามธรรมชาติของเขาอืมอท่าที่ดินน้ำลมฟ้า ือมาแต่ห้องโลกของโลกงานยาวขนาดไหนสิพุทเมตตาพวกเราคเพื่อจะได้รีจากควุมทุกข์คนลำบากอันนี้ได้ันคุณสร้างบา ร, รมีสร้างฐานก่อนเพื่อนคุณก็ พ, กพ่อพระเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มาถึงพวกเราอืมําปาถนาไปได้พบองค์ที่ห้าพระริยมเมตตาเราจะได้สดชื่นเบิก บ, บานรางนัลจริงมันก็สดชื่นในปัจจุบนัน นี่เลยสดชื่นในธรรมสดชื่นใน <c oughs> องค์ศีลองค์บา ร, รมีของท่านะองค์บา ร, รมีของอของแม่ครูบาอาจารย์พระ ส, สาวกอืมรับมาจากครูใหญ่อาจารย์ใหญ่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอืมพวกเราทั้งหลายมถือว่าโชคดีในยุคนี้เลยในปัจจุบันอืมไปทางหน้านาโคตไปทางหน้าชื่อว่าเราเห็นอะไรอเห็น ควา ม, มลำบากความทุกข์ความทรมานของของจิตของใจของพวกเรามันบังคับไปรักก็เป็นทุกข์สางก็เป็นทุกข์ ย า, ากมากๆก็เป็นทุกข์กมากๆคนว่าเพามันกลับกันถ้าใหมันว่างคือมันปากเป่าไปตามมันล้วมีตามโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าปาดเป่าก็คือว่าคือพวกเราทำนี่เลยอจะไปป่าไปเขาก็คือกำหนดหมดแล้วมันมีที่จะเดินจะไปจะมาเพราะแม่ครูบาอาจารย์เบิกทางให้เปิดทางให้นพวกเราสบายใจตามโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะแม่องค์หลวงปู่มา โลกทุกพระองค์ที่อยู่ในที่เราปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่อนตั้งแต่พระผู้ไกลจากกิเลสเสือคูเสืออาจารย์อยู่ในตำรับตำราเอามาสอนกันเอามาว่ากันก็เข้าใจก็ปฏิบัติ เรียนรู้อ่านเห็นอะไรก็ไปปฏิบัติถ้าเป็นพืชก็เข้ามันออกโลกรองออกมากเจีออกมาทำบุญทำทานขึ้นมาเสนี่นมหาทานอันยี่ใหญ่ก็ได้นำการงวดทุกคนนั่นแหละเอามารวมกันเป็นกองบุญอันเดียวกัน ขนาดสีขันหาเดียวกันต่างแต่เพศเท่านั้นแหละแยกเพิ่นแต่งมาอย่างนั้นแต่ว่าเรามีความสุขใ น, นมนุษย์เราก็ไม่ไม่ได้นะไม่ได้สั่วนานตายไปมีความทุขเนี่ยชั่วนานบางลายจนมองพูดกันไม่รู้เรื่องแตเอาแต่ความโมโหโธโศแสดงขึ้นทำมันมันดับไม่อยู่มันจะเป็นอะไรโลกกันโลกต่อไปถ้าเรามาเกิดครั้งหน้าียวนี้ยังมีทา อันประเสริฐห้ามได้อยู่ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามยาติ ท, ทางทุกาทุทางเดินไปมองตาขึ้นไปเพวกเราเป็นญาติได้รับบุญรับกุศลกระแสบุญกระแสกุศ ล, ลดึงมาถึงปัจจุบันนี้ทั้งสองพันกว่าปีเลยจึงเราก็สะได้เกิดจึงมองอินเดียเราก็จะได้เกเดอแต่ว่าไม่นานมันก็ลมพัดสลายไปไปนำลมหายมองไม่เห็นัวงดวงวิญญาณ ต, ตัวนี้มองไม่เห็น เรื่อมาเห็นอยู่ในล่างเราเนี่เป็นทุกข์เลยคนว่าเป็นทุกข์กแล้วกะดับทุกข์ทั้งคนพาดับทุกคนทุกท่านก็านพากันมาด<อ>ับทั้งพากันมารอบำเพ็ญกุศลมาทั้งฝึกนั่งดูใจนั่งสมาธิทั้งบริกรรมพุ้โทพุ้โททั้งทุกลมหายใจเราพึ่งพ่อพึ่งแม่ครับอิดามาทัางผู้มีพระคุณนั้นเลิศทั้งท้าพ่อแม่ เรา อ, อปล่อยสิ่งละวางไม่ไม่ดูให้เราได้มาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้พบกันเพราะว่า พ, พ่อแม่เราเป็นพระอย่างไรก็ได้มาเกิดเจ้ากันมาอย่างนี้จับกันมาอย่างนี้แล้วว่าพ่อทำเพื่อให้ม่ให้มาเกิดเพื่นให้ทําใจฟองใสทําใ จ, ใจมีสมาธิมีทําจิตทําใจ ดูอืดูความปรุงแต่งความทะเยอทยานของจิตที่มันดึงไปอที่เหลียดอะไรคุมไปดึงว่ามันรอดพระอรหันต์อภูอโทธรรมโมสังโฆวิธิกามเข้าไปอนนืไปไปดึงไปดูดกันแล้วมันจะแยกออกแล้วก็เห็นจิตบ น, นี้ทาคือเห็นจิตพี่น้องทั้งหลายมาร่วมกันวันนี้เลยเห็นจิตที่สดใสเห็นใจที่สดชื่นเห็นใจที่เบิกบานอื น, นี่มี ผู้นำประกาศศาสนาของจริงคือจะได้มาสอนพวกเรามาแต่ละท่านละองมันก็เย็นเพิ่มกันไปเรื่อยๆในั่นแหละัใจองค์เดียวมากมายกัายกองที่สถาญาติโยมไปหักกับหาไหวในสถานที่ต่างๆป่าดงพงไพ่ที่เป็นห่างไกลจาก บ้านเมืองโลกภายนอกนี่ยโลกภายนอกก็อยู่กันแต่ว่าเพื่นว่ากิเลสมันเจริญเจริญจนจนจะมองไม่เห็นกันจย่างเจรินกิเลสนจรินในธรรมเพืนอนว่าธรรมเจริญมันให้มาหากันวันนี้ก็ได้มา ห้องเงินเดินอากาศได้ไม่เหมือนแต่โบราณไม่เหมือนแต่พ่อแม่หลวงปู่ใหญ่เรานั้นเดินเดินเ ต, ต้นๆเนื้อจุดใจเต้นใจจุดเหนือถ้าพ่ผู้ใดได้ไดบบบรับญาณบารมีรัชชมีของท่านดึงดูดเดินผ่านไปห่างกิโลสองกิโลก็เย็นไปเพราะว่าพระดาลงมารักษา เอาบาเพ็ญกุศลมามาดูแล ร, รักษาเพรแม่หลวงปู่ ม, มา่านกุณฑิตป่าหลวงพงภัยลึกๆถึงสอบเพราะนั้นมาเงียบคือพวกเราวันนี้เลยอย่างนี้คือเงียบนั่งสมาธิข้าพเจ้าฟังเทศฟังธรรมลงไปนี่อย่าให้หลมอย่าให้ไปลืมจารลืมพบอฟังเทศมาฟังหลวงปู่ม่านไม่มีเสียงอะไรเงียบเป็นคั้นๆไปนอันนี้เราจะา่าหลวงปู่จะมาเห็นดูในอืม มูลิตาทีโอที จำกัดมาหาสชนเราเนี่ยมาเห็นเทพบุตรเวดามาเห็นทั้งทางทั้งหลายเงียบสงบจะได้เดินทางตา ม, มสายบุญตามส ะ, ะพานบุญตามถนนบุญให้มันหลีบให้มันตกถนน ม, มันตกถนนนหลงไหลไปตามความคืบเราเนี่ย อ, มมอารมณ์มันปุ้งแต่งปุ้งจันทร์ไปห า, า ก, กรรมเพราะว่ามันมันมีกรรมเร้วอยู่ในตัวเรามันก็ดึงดูดไป หาตัวใหญ่มันที่เขาฝึกกันไว้ตัวใหญ่เป็นอย่างไรก็คือคนอยเลยมันฝึกไม่มีคุณไม่มีอะไรต่อกันแล้วกันมีใจทำจะให้ แต้าวสลายแต่ก้าวสลายเราคือเราก็กลัวคือคือเป็นข่าวอยู่อย่างนี้ไลยเอออันนี้เป็นโลกเป็นพท ย, ยังได้ป่วยกันถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้ป่วยมันมันไม่ตายมันก็ทรมานเป็นยังไงเออไฟนี่แล้วแตง ข, ขึ้นมาอืมแล้วมันโมโหงขึ้นมาก็มาละลายใส่กันอืมแบบอืมคนประกาศคนแข่งกันดุแต่ว่าธรรมมันก็เจ้าห้ามไว้ผู้มีบุญคือพวกเราทั้งหลายนี่ก็กลัว อย่างนั้นหาวเจ้าจยังได้พูโทโธทำโมสังโฆไว้ก่อนท้าวเจ้าจะามีความสุขมีความสุขตามเพราะม่ วิลามาดามาก็มีความสุขสุดยอดแล้วสอนเป็นอบรมให้เราได้กินได้นอนได้ใส่ได้จ่าย้งแจ้งตาใสใหเป็นคนดีบอกง่ายสอนง่ายอัมาพบมาพบธรรมพระเจ้าพบธรรมอันประเสริฐของศาสนาของพ่อแม่กุบาจารย์ที่รับมาจากพระพุทธเจ้ามาสอนโหเยินบันไดในส่บาตได้ทำบุญให้ทานก็สอนให้รักษาศีล สาสินลกลายว่าจใจน้อมน้อมแล้วก็ตั้งสาจทธาอยวไปอืมคนที่คนห้ามอเลยอันคือประกาศขึ้นไปอืมเล่นอืมเล่นจากการไปอืมพบให้มันติดว่ามันติดแล้วติดมันเหนียวนึกแน่นเป็นทุก อถึงเวลาทัางไปหากันบางทึ่เปลี่ยนเปลี่ยนระบบระบับไปเปลี่ยนไปแต่ก็ทับทิ้งมันทับตีฆ่ากันให้ตายตายเลยลงนรกตามพรักษาขันรักษาขันมันมันได้มายากผก้ดูผู้มีพระคุณผู้คนพามาเกิดนบางบางรายบางพ่อบางแม่ลองไปนิพพานแล้วน้องพระเจ้าเถอืมผี่ชายน้องสาวเราไ ไปล้วแต่เฉาะเรานี่ตกข้างอยู่บันนี้ตวข้างอยู่ก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าได้มาไดมาพบของจริงคือพ่อแม่ปรนเทศจุดตลอดโรคภัยแค่เกียวคือมีตฉากรรมทั้งนั้นทงคนทีอยู่กับพระนะฟังมันทานชมายสุดเลยคือของโยม่ะไโทรศัพท์ฟังเทศหลวงตาโรคภัยหายโรกอันตรายมากเันรอยไม่มีห้ารอยไม่มีสาม เพราะนั้นมันตายหมดตอนนั้นมันตายยังยังจะเพื่อฟังเทศฟังธรรมทํางานทําดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไมันเพ่งออกเพราะว่ามันกาจัดกิเลสที่มันทําให้เราตายเร็วแมันกาจัดหลายโลกหลายภัยที่ที่กรรมมันหนักหนักกรรมลัตตะเก่านั่นแหละมันมาเป็นเลยทำมาตัดเถอะก็ฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเพ่งออกมันมันเพ่งออกมันไปนอนก็ หลับเนิดไปตื่นขึ้น่าก็มีความสุขถ้าเป็นทุกข์เ ม, มื่อยงอางนอนอะไรมาบาังคับให้นอนกัระหว่างนั่นแหละความทมงานธาตุเกศธาตุเก่ก็เป็นอีกเป็นวัยเป็นวัย ไ, ไปไวัยบางอย่างมันก็ไม่นอนคือพอแม่ต้องปู่เทีนว่าสามเดือนไม่นอนไม่นอ น, ไ ม, น, อนไม่หลับจิตเป็น คุณมองคุณดูคว้มเพื่อนไหวนี่จะความสุขของาะแม่ครูาอาจารย์ทานท้าทันเฉยๆเอาบังคับแล้วมันจะชื่อจิตมันเป็นเจ้าของนะจิตมันเป็นเจ้าของจังว่าพวกเราทําทานทำบุญให้ทานมันคือที่เศ้าผ่านมาคือมันจะเป็นที่แยกแยกกิเลสบังคับกิเลสบังคับกรรมเวรออกจากล <c oughs> ่างจา ก, กจิตจากใจของพระวิราติมรดาของพวกเรา พวเราก็เป็นเบอร์หนึ่งนันเป็นจิตที่เป็นพองใสเป็นใจที่เบิกบานอันนี้ทั้งหลายที่ <c oughs> ตั้งใจมา หลวงปู่วันนี้ก็ต้องการความสงบร่วมจิงต้องการจิตที่ผ่องใสต้องการที่ความจเจริญรุ่งเรือ ง, องในดวงจิตถ้ามันสบายเลยคิดอะไรอะไรไหลมาก็เน้นหนาทาวอนมันคงอยู่กับพวกเราหมดมันเป็นกลางๆไม่ได้ยึดได้ถือเหม่งมันปั่นกันจินกันอยากไปเลยโุ้นแตจิตใจขึ้นไปความทุกข์ไม่มีมาไกล้เพราะว่าความจัดมันออกไปได้แลย้ยคือให้ทานรักษา สินทางสมาธิเพื่อละหนังอืมหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหายเข้าใจออกพูดพันธะโโหโบบาสีมันไม่ออกมานําเราบัดมันอยู่ในตัวเรามันก็ลอดไปทางใหม่มันไม่ออกทางอปากถ้ามันออกมาทางปากแล้วมันย่อมก็ข่ากันตายจึงว่าเพื่อนั่งสมาธิดักมันออกทางใหม่ให้มันออกปองประตูโขงทิพย์เพราะแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้ประตูโขงทิพย์ก็คือจมูกนั่นเอง อืมหันใจเขาอืมผู้ท้าใจออโอทโฮมันเข้าไปหนักมับาบังคับมันออกมันออกทางปลายเท่าไปอะไรทวานตัวใดก็ได้ เ, เตะมันออกหมดขึ้นมาเรามีความสุขกันเอาถ้ามีความสุขมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราให้ทานถ้าเกิดจากเราฟังธรรมรักษาศีลพระพุเจ้าอืมทนให้นอบนอกให้กสาบให้ไหวสุก ค, ความทานทั้งหลายทําวันนี้งามตางามใจเยน็ยนเยน็ยนเลื่อนขึ้งไป อืมให้วุ่นตามกันผู้ชายผู้หญิงเทวราชพ่อแม่หลวงปู่เซรีที่ขึ้นมาจากทัานชลดาขึ้นม า, าสุดทุนท่านสงสารคุณแม่เรื่องไม่ออกเทวราชทรมานมากที่สุดลําบากอืมข้ามื่อเกิดอีกขอให้ได้เป็นผู้ชายผู้หญิงมีลำบากแต่ห์เพราะว่าอะไรมันเกินเกินกว่าผู้ชายคือแม่น้ำทั้งหลายออกทุกแบบทุกอย่างทั้งทั้งตาทัาท้ง อะไรนี่แต่ความทรมารลําบากมันเราจะได้มาเกิดกันทุกวันนี้คนหมอสวยเ่รารู้สึกเอามาให้มบางทีลําบากมันถลบ่มถลายไม่รู้มันมันตายไปแล้วถ้าโชกไม่ดีก็ไม่คืนเลยในโบราณผู้ใหญ่ใจใหญ่แขนถ่วงแขนเท้าจองกันก็ไม่นานร้อยปีมานี่อีก่้อยปีไปข้างหน้ามานี้้อยปีมันเอากลับหนึ่งหรือวอะไรแล้วมันมันคือมันคิดว่าหนึ่งคือ ป่าช่างโรงเสื้อเสื้อหนึ่งทำไมถึงรอดตีหมดหายไปท่าเป็นที่ไ ห, หมดขาดป่าทั้งหลายท่านว่าเออควา ม, วามกลัวค น, คนนี่เลยตายไปแล้วมาเกิดเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นอะไรคนนี้ท่านพ่อแม่หลวตาที่พระเมตตาลูกหลานที่รองนึำเพื้นดินท่น ว, ว่าอมันตนขึ้นมาอ่านตายมันตีขึ้นมาเดินภาว น, นาก็ไม่ได้ไปสมัยทอแ บางตาถ้าอนอกมาบางเืธอเรามาแต่ตัวนั่นก็ได้ให้มันได้มาตัดสรู่สุดท้ายออกมาจากพื้นดินนี่เท่านี้มีบางคับไปคาราตออกมาเมื่อเกิดเป็นคนเขียดหลาพก็จะโมยออกมาเกิด อ, อีกฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกเลยวันนี้ตายทีนเมือนขี่กระเดือนมันออกจากต่างแดดให้มันไปต่างแดดก็เดินอยู่ทั้งวนันกลางคืนก็นั่งกลางวันก็เดินมี สบาทนิดหน่อยก็ได้มาเยียวยาธาตุขันมาให้มันเกิดทุกข์หมอเวียนซำกิเลด ม, มันอาศัยอาศัยอาหารอย่ว่าเพิ่นว่ารักษาสินห้าเละรักษาสินแปอันนี้มีสารโพชนามีละมานีเอืมอาหาน่อยรักษาสินสิบรักษาสินสองร้อยี่สิบเจ็ดแล้วก็เดินไปทุกันข์ตามว่าคําสอนของพุทธเจ้าคุาอหน่อยดูข้อมูลเกิดดูตามธรรมศาติ ธรรมชาติจกถอดทอ น, ทอนทีิเลดออกจากธาตุจากขันของพวกเจ้าพระพุทธเจ้าไปขาดเก่ามาแล้วนี่ท่านทั้งหลายหากันดีใจห่ากันสดสื่นเบิกบานต่อไปได้รับโ <c> อ <oughs> วาทคำสอนที่สงบวมเย็นมาถึงพวกเราคำสอนของจริงฟังล้อมตาเนี่ยเพิ่นกลับขึ้นมาโปรดพวกเราลูกหลานชาวไทยนี่หวงมากฮะ เมตตามากที่สุดประเทศทั่วเมืองไทยมาเทศในออืบริษัททีโอทีเรามาเป็นอาธรรมมาโบเพื้นว่าเพป็นจับพื้นมาแปดสิบปีแล้วเฮทศที่อถวายเพลิงศพอย่าเพื้นว่าของเพื้นเราเห็นไหมยานมันเืินไปถ้าปล่อยตามใจคนนีเผาซักสมบัติมรดกถือว่าซักสมบัติเพราะว่าเอาเอาไว้ให้ลูกให้หลานเอาไฟเผาเอาฟืนเผาเลย กระายไปถึงเวลามันคือเพิ่งจะล่างถาดล่างขันได้เหมือนครูอาจารย์เหมือนหลวงปู่มั่นจำไว้นั้นมันมีทำไมมีหมอมียาเหมือนทุกวันนี่ท่านก็นได้ถึงแปดสิบตามครูอาจารย์ใหญ่เพื่อปวดรุบปวดหลานขององค์ก็คือหลวงปู่ฟันก็ไม่ไ ม, ไมถึงหลวงปู่ฟันท่านก็ว่าพึ่งทนลวงตาว่าพึ่งไม่ได้พักผ่อนพึ่งไม่ตาพราลูกหลานชาวกรุงเทพพึ่งล่างไหลไป งานไหลไป ไปแล้วกลับมาไปอะไรขึ้นมันสบายใจมันมีความสุขเลยทรัพย์สินเงินทองก็เลื่อนลอยมาอใครเป็นผู้บรรลบรรดาหมาให้ก็ถึงเป็นปู่ย่า ต, ตาใหญ่ไปต้อคิดถึงพ่อถึงแม่อยากให้พ่อแม่ได้บุญอยากให้พี่ให้น้องผู้ตายไปแต่ก็ตามพ่อแม่ผู้อาจาุย์ผู้คนผู้แจ้งตาใสผู้คนกายจากิเลสรับให้พระพุพทธเจ้าพระรหันรับให้หนึ่งหลวงตาคนว่าอุทิศให้พ่ออุทิศให้ แม่ให้ใครก็ตามทถาตรงไปผู้ชายไปเป็นเทพบุตรผู้หญิงไปเป็นเทพผดาลูกหลานเป็นผู้ใน ท่กองบุญอันภับุญมาจากทนคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องดูแลกันมาถึงศาสนามาพบศาสนาเราได้เงินได้ทองมาเราก็ว่าของพ่อของแม่ใหมาต้องเอาไปฝากกับพระให้มาส่งไปให้ให้คุณเมตตาไปให้ถ้ามลโรคภัยไข้เจ็บก็คือเรีนคือกรรมบางทีก็เป็นญาติเรามาให้เจ็บให้ป่วยบคนมาถือต้องถวายคือพ่อแม่ตดวงตาคุณยังอยู่เขาไปถวายทําบุญให้ฐานอะไรมาคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านหาย ดีขึ้นมีพลังนึกคุโธ่ดีใจนะคุณแม่ลวงตารับให้แล้วนคือว่าผู้ชายผู้หญิงทั้งไปไปที่เก็คือว่าจิตมันใสขึ้นจากความผูกมัดนะใสขึ้นจากกรรมนะลูกหลานไปหาพระลูกสาวลูกหลานไปหาพระแล้วกันนึกถึงทาบุญก็นึกถึงผู้มีพระคุณยังอยู่ก็ดีตายไปก็อาศัยพวกยังลวงตาอาศัยพวกเราทั้งหลายที่ที่เขา ละเมิดสิ่มันไปจุกทุกตามทุกอย่างนั่นแหละอืมวิญญาณทำมาเกิดเป็นแผ่นดินมาเป็นดินมาเป็นเป็นเป็นชาติเป็นรูปเป็นร่างเป็นยุงเป็นอะไรทุกอย่างสิ่งเป็นทอย่างทุกอย่างนะว่า เราก็น่ากลัวกันท่างนั้นคือเราหายใจเข้าพุโทโธพุทโธที่มันสงบร่มย็นเหอบางทีเทพาดาพวกจิตเพือเ่อเขาไปปวดขันบังคับกิเลสออกจากธาตุขันแล้วแล้วเสื่อพระเจ้าําพระเจ้าให้นึกถึงพระคุณของท่านําพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้สอนผู้บริบาลทำโมก็เป็นผู้ืมไธทรมที่ตั้งใจเต็มรอยเต็มพันคือพวกเราทั้งหลายมานนี้เลยมาปวดอันนี้เล ย, ลเล ย, นนเลยแสดงว่า เข้าใจเข้าใจในการเดินทางต่อไปแต่นีขึ้นมาหลังหนึ่งพรพุ่ธล่องให้หลวงตา บ, บัวให้ต่าลาเมตตาให้ให้ลูกหลานอสรบถุงเงินบ้านเมืองบุญไม่รู้เรื่องกันมันจะเป็นเพื่อนเป็นไฟใช่ไหมทั้งท ล, ลายไปหมดเพราะว่ามันเราอยู่กับอะไรนัอยู่กับน้ำก็เป็นอีกตัวนหนึ่งตัวมันอันตรายก็คือไฟนี่เล ย, เลยมันชอ็อตเราปุ๊บตายเลย สัตว์เรามันตึบโรคภัมาใหม่มารุ่นใหม่ไปเลยตึบเข้ามากันไปเลยไฟมันมาสัดว์ไฟเราไปสู้ของมันมาสู้ไฟกรรมเพราะว่ากรรมมาถึงแล้วมันแบบเรียว่าดับน้ําดับไฟเป็นอันตรายเก๋ดิเก๋เพวกจิตเรามมื่อคืนเราประมาทก็จะผ่านพายั้นมันแล้วมันไม่ผ่านมันก็ออกเลยคืออย่างนี้แหละพวกผ่านทั้งหลายออกมาเลยี่ออกมาบำเพ็ญกุศลอืมปีหนึ่งไม่นานก็ได้มาพบกันอี ออกมาต่ออืมสะพานบุญขยับเลื่อนไปจนถึงบ่อน้ําจนถึงสาหน้ามใหญ่จนถึงไม่ไม่น้ําใหญ่เลยค่ะมีอืมเรือมารับไปคือืมสะพาวิ่งมารับไปเข้าไปนั่นแหละมันมีอะไรที่เข้าไปตามได้เพราะว่าผู้อวุโอาจารย์มันยั จ, นจะได้ไปมดแต่ว่ามันท่าเร็วต่างกันมันสู้ขิดไม่ได้มันไม่ได้ไปแต่ว่ามีทุกข์ม่สุขมันดับทุกข์กคือพวกเรามาดับเรื่อดเหล่นี้เลย ีน้เราขับไปแล้วสบายเลยมันเพราะว่าเรามานั่งฟังมันนั่งได้ฟังกันดูกันเห็นจิตเห็นใจห้าสี่กันห้าอันเดียวกันแต่ว่ามาบวชมาบำเพ็ญกุศลคือว่าให้ <c oughs> มันห่างไกลจากอโลกภายนอกเขาห่างไกลจากที่มันผูกพันมันดึงดูดพวกเราไวปห่างไกลแล้วก็ไปดูไกลหนูอาหารห้านค้าวอะไรก็ไม่มีถ้ามันแห้งเหีย่ยวลงทำไมมันจะ พูโทโธมก็เบาขึ้นพูโทโธมันก็เข้าไป มันเข้าไปแน่นเต็มหมดไม่มีช่องว่างที่ไหนกิริศออกไปหมดวันห น, นึ่นวางท่านท่านเพราะว่าคนพุโทโธคือลมสูบลมพุโทโธพุโทโธคือคนเติมยางลดยางน่ะไปมันก็ดูแลมันอยู่ตลอดเหมือนกันปลอดภัยกับพวกเราไปตลอดนี่เราดูแลจิตใจแล้วกับฉิญกับธรรมอยกับพุโทโธธรรมองสังโฆนี่ท่านทั้งหลายเหมนกันมันดีอกดีใจนะโมตจ่าที่เก่าขึ้น น้าโมงคือความนอกนอๆแล้วก็ตัดผนให้ตัดอะพราเขาว่าโตออะไนจะเป็นของตุอนไรจะเป็นของเรามันจะความสุขความเจริญานไ้สมาสัมพุทธัสะนำมาอย่างเรามาเอาบุญมาดูดจิตดูใจกับศาถนาะที่เรามาพบศาสนาะแล้วก็นสอนให้เรานี่จากความเกิดนี่จากความทุกข์นี่จากความตายนี่อืนลง ทุกวันนี้ออกไปั่วยาวมันไปช่วยาวั่วยเจอตามถนนทางแล้วก็สลุดทางเวนอืมแต่นที่เรายังเด็ก ย, ยังน้อยคือพ่อแม่ครูาอาจารย์ที่มันตกเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินหลายๆตกลงน้ำํำเรือใหญ่แตกในน้ําันมีที่ช่วยทั้งทั้งเวลาอะไรทุกอย่างนั่นแหละ การฝนตกฟ้าร้องลงมาคือการฟ้าร้องฝนบางคนก็เป็นไข้เป็นหนาวตายแพ้กันอ แ, แพ้มันคู่กรรมกันมาบางคนก็แพ้มแมลงแพ้เด็ดอะไรบางมีเพิ่มเติมไปเกิดเพราะว่าเวลากรรมมันมาอืมาให้เราพิจารณามาให้เรากลัวถึงแม้ว่าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆเราก็รีบาําเพ็ญกุศลสร้างใจ ทำเพียมภาวน า, านั่งสมาธิตัดเตาไปเยน็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นสุกขึ้นอร่างกายสบายใจเปนพี่น้องทั้งหลายถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ในอืปีนี้แหลยมงคลอันยิ่งใหญ่ให้บา้านเมืองเราสงบลมเยน็นภาวน า, าก็ชนะก็เพราะแม่ครูบาอาจารย์ครูโป่งที่ผลเลื่อมมามาโปรดเราก็คือพระแม่องค์ดวงตา สังขาบัวมาเจียบมาเมตตาไว้ให้ลูกหลานดูแลรักษาลอยมือลอยเท้าแนะนำสั่งสอนกันไปใ่้จับมืออย่าให้หลุดอย่าให้หวางก็ฝ <then. S 1> hmm. hmm. ่าพาะคุลาภัพเห็นแล้ก็เจริญสวยงามในดวงจิตดวงใจคารวะนเรื่องสูงของพึ้นหลวงพอระพุทธเจ้าคารวะพระมครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่นหลวงปู่สาวเรา พ่อแม่รเราตาบัวเราเป็นพระนิพพานสมบัติท่าส ม, มบัติพ่อแม่ปุญา ต, ตายายปันมูลให้สมบัติเลี้ยงทานเลีย ง, งขันก็พักการสวดเชิอบ่ยวันบันนี้สมบัติภายในบันนี้ก็คือฟังเทศฟังธรรม เบื่อนายในการ เ, 1, เ, เกิดเบื่อนายในฐานะเวลามันเจ่มันเ่าเป็นคนเทาคนเจ็บเป็นคนเจ็บ ค, ค, คนปวดเราก็เป็นมาแล้วหนักกว่าเขาขาดช่อนขาดกลางมันกระพานมาแล้วเราจําไม่ได้ทั้งพอมันลึกมันชาตมันมามาเกิดในจุดนี้มันจะล้มหด่นลงมเห็นคนเจ่บก็ว่าเราจะไม่เจ่บเห็นคนเจ็บก็ว่าเราจะไม่เจ็บมันมาถึงตัวเราเลยขากระทุ่งสารเรา เราไม่เห็นตัวเราเลยเพราะว่ามันมันออกจากเส้นทางออถ้าเข้าเส้นทางคาือพวกท่านทั้งหลายเนี่มันก็เห็นตัวเราเห็นตัวครูอาจารย์เห็นตัวคุณบิาดามารดาแล้วก็พากันเข็ดหลาบ ออืภาวนาเมตตาไปอย่างนี้หละทําไปทําไปอืผู้โธททำโมสังโฆผู้โทอรหังอรหงังผู้โทสัมผัสกันไปทำโมอรหังอรหังทำโมสังโฆอรหังอรหังสังโฆจะเกิดขึ้นาตลอดอนาคตข้างหน้าเรามีแต่ความสุขถ้านึกไปตลอดอย่าไปเอาจิตไป อาปจิตอาจิตประจิตกับอย่างอื่นให้ติดกับพุทโธรอรหังอรหังพุทโธ ท, ทรับสมบัติที่จะมาโนูนใจให้เราน่อยมานูนใจเป็นบันลังเ ป, เ, ปเป็นรถทิพย์ใเลื่อนไปสู่มุโร ม, มสุขท่า น, นทั้งหลาย ทการเข้าใจกันจางใจต่อไปทุกษาพยายามมาพบกันอืมาพบกันในการเกิดนี่แเลยเลื่อนลอยมาสามอสูรสามอากาศมาแล้วเป็นลูกเพราะไม่เดียวกันคือปฏิบัติธรรมด้วยกันรักษาศีลพระพุทธเจ้าด้วยกันอืเนี่ยจิตแอกใจออกจากร่างจากขันออกจากสิ่งที่มันผูกมัดคืนเป็นทุกข์ละลายความทุกข์ออกจากกองบุญอันภัยบุญเพราะไม่ให้มาถึง้องดี่งามเนี่ยมา เาที่ไปหาเพื่อนเที่ไปหาคุณพ่อคุทั่วไปเว้ยทื่ลุงเก่าคุณครูบาอาจารย์อคุณพ้าทั่วไปทั้งอะไรเป็นภาคที่ให้ไมว่าจะู้เพื่อนประเสริฐหรือเพื่อนไม่เอาของใครก็ะ เ, เพื่อนไม่เอาเพื่นบายเพื่อนกับเพื่อนกับอุ้มางได้ถือกลอง ป, ปัดเปล่าจิตดีเลยทีเพื่อนเอาให้เอาให้นไปําจรกกิเดีออกจากลาจากขันให้อจิตใจมันเบิกบานสามาน คือกระดูเร่ขันเร่ขันกันนั่งสมาธิขันกะสดชื่นเบิกบานขึ้นอให้โลภหายภายัยสุขสบายใจในี่เลยเกิดเป็นคนใหม่ขึ้นมาอีกอ น, นี้ถ้าเราจังใจเสื่อแล้วไปคือญาติป่วยพ่อแม่ป่วยมา ก, ก็ได้เราจะไปหาพระเอามาให้เจ้าเขาสองสารเจ้าญาติเจ้าตายใ้จากป่วยนี่พี่ชายก็ดีน้องชายก็ดีถ้ามันป่วยอยู่อันนี้คือสุวรรณยี่สิบปีสามสิบปี โอ้มเมลีนเราะน้อยๆพวกเราทั้งหลายมันกายงามมันแหมือนมันมาเข้ารุ่นเล็กรุ่นน้อยมาเห็นเลยนาบเรียนขอพรมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเลยห้ามหมอเขากัน ท่นสงสัยสงสัยใครว่าสงสัยเลยก็ท่านเอาเลยว่านุ่งใหญ่ท่านคืออะไรที่จริงมันไม่ได้ถึงขันนั่นแต่รถตกใจเฉยๆมันตกตืนกระทบอารมณกิเลสเลยมันทึกไปถึกไปใจกลัวตายยันไม่ได้ดูแลพ่อมแ ม, ม่ญาติทั้งหลายได้อืมตอบบุญแทนคุณให้ถึงที่สุดพราะกลัวตายก็เลยสุดไปฟงังเทศฟังธรรมเข้มท่า้มงวาขวดขันนั่นสมาธิภาวนา มันกะหลุดนี้ปเหมืนว่าเหมือนเหมือนอะไรหิบจับหรือว่าตี๊จับอะไรกนว่าไปมันเหนียวดึงเคี้ยวออกแล้วมันก็เบาอยู่ในใจเราเคี้ยวออกพุธูธทรรมสังโฆหน้าสมาี่ภาวนาตัวนี้สำคัญที่สุดกับที่เราจะเดินทางต่อไปข้างหน้า สำคัญอะไรเราไม่จะเกิดอีกอลเลาขีดลาบแล้วมันจะเกิดเราจะย้อนพบย้อนชาติเข้ามาใกล้ๆน้องชาวาวัดคือพวกเรานีนบางทีเจ็ดชาติอาจจะได้หลุดพ้นไปบางทีบางทีงทก็สี่ชาติสามชาติสองชาติท้ามาชาติปัจจุบันแล้วก็อยากให้มันอืดีดพึงไปมพนก็ฝึกหาดขาดเก่าไปเพิ่มมาได้ถ้าเราไปยึดพระแม่ครูบาอาจารย์ไว้รักษาสิ้นห้าสิ้นแปด อแยกกันออกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดูหาขัานมันสิแตกสลายมันมันทํำได้มันแตกสลายไปก่อนนั่นเลยแตกกิริแตกไปหมดเนี่ยเมต่าความฉุกนั่นแหละคุณบอกคนที่ฉลาดคนที่เหมือนในการสืบคือทําเมาได้ทุกคนอยู่ในนี้คว่าอืกเพราะว่ามันเป็นของเฮ็ดยากแต่ว่าถ้าฉลาดมันก็คือง่ายมันนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรนั่งเบิง้ลงลมหายใจพุโทโธพุทโธพุทโธ ไปเลยไม่อะไรคนว่าที่คนฉลาดนพูดโทรอะไรคือว่าหา้าหยุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนั้นอรหงังอรหังก็ดีมันไม่มีตัวตนเลยถ้าเราว่ามันเกิดมันเป็นของเหาอรหงัอหงอรหังเราจะขี่ขี่อรหังไปจะให้อรหังอุ้มเรานี้จากธาตุตัวนี้มันจะขันห้าอาการสามสิบสองมันครบขันจะสมควรจะไปสู่สวรรค์นิพพานถึงต้องใน อ, งอนุวัตขังฉวนเราไม่มีกรรมถ้ามุ่งหวัตรา ขบวัตแนฝืดมือขาดเนี่นเรามันไม่ตรงกับของเทีบก็ต้องให้มันเกิดให้มันสมบูรณ์เหมือนเป็นเมตตาบวชนั่นแหละให้ครบขันอาการสามสิบสองแหละงานขบวัเขาบวัตถาไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ไม่คือมนุษย์เขาคนก็มาให้บวชทํามาให้เขาให้ใช้กรรมไปก่อนหรือไมาใช้กรรมเพราะแม่ญาติพี่น้องก็ดูแลกันไปอืถ้าทําดีได้ดีอื hmm <laughs>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 พาไวนะจ๊ะอะไรก็สะลายไปสะลายไปมันกิดเอาใหม่กันอเออาใหมก่ก็ฝึกต้องกันอหลรเพื่นว่าธรรมะตัดอืธรรมะไม่ตัดก็คือขาดตัวตายหรือว่าอะไรเจ็ดชาติเจ็ดชาติห้าร้อยชาติอยู่เพื่อนว่าไปเึิดมาถึงเวลาแล้วก็เอากันเลยมันไปเองมันหือว่าเริ่มใหม่นี่ยตืบหน้าตึบหลังนี่ยเส้อีหนึ่งที่สองเสืที่สามเนี่ยไม่เหลือเลยถ้าไม่มีไปหามเรนทําไม่ดูแลรักษาไปต้อง ต้องตายเพหัวมันมันประมาทมันมันลึกหมดนะเส้นเอมเส้นบุญเส้นกุศลเส้นเช่นเส้นธรรมมันพังทลายก็คือมันไปผิดทางนั่นหลยมันไปจินของผิดไปจินของผิดไปกินตําไปพบกรรมเออไปพบกรรมคือเราเห็นอยู่ทุกวันนี่เลยค่าพ่อค่าแม่ค่าซีสีผามค่าเจ้าเอาของว่าใครเป็นใครเออควาเมตตาเออเก่ยกันด้วยกัน โชคเราทั้งหลายดูปัจจุบันทันตาไป้างหน้าอนาคตเราก็จะได้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความจากเวียนทั้งหลายขอพาคัมเพียนไปหวัวหน้าเป็นพี่รุ่นพี่รุ่นนอ้องสอนกันต่อไปอืมลองประทานก็สดชื่นเบิก บ, บานเพราะว่าเราเราเป็นผู้นําบุญมาอะเพื่อน แล้วก็ต้องได้ลดทิพย์เลยในขันหาทิพนั่งอยู่ก็เป็นสุกข์นอนอยู่ก็เป็นสุกข์พักพ่อนนิดหน่อยตื่นขึ้นมามีความทุกพิดจินนาาพระเจ้าอืมพักแล้วหาพระเจ้าดูไปเรื่อยๆดูอะไรดูความเคลื่อนไหวของจิต้าพระเจ้าจะไม่ให้มันติดเป็นทุกกับใครอีกอวันนี้มันว่ายดนําำบนไว้บัวมันดอกบัวมันขึ้งามขึ้นสวยขึ้พูดว่าพี่น้องจัดดวงลูกศิษย์ลูกหาของศาสนาน นั่งอยู่เหมือนดอกบัวดูแต่ว่ามันฝนตกมานทรายใบมันไหลมันไม่จิดถ้ามันจิดมันก็ไม่ไดมานั่งที่นี่แล้วไม่ได้มาบําเพ็ญกุศลที่นี่ออห่วงท้องห่วงไสห่ว ง, วง เ, เพลินไปเตามเขามาเราเห็นควาตายที่มาทางหน้านเลยอลองไปก็ไปเจอนีไปเจอเลยโอ้โหไเจอเขาแต่ตัวเราเราได้บุญแล้วนไป เ, เราก็จะขยับไปอีกออยุไปอีกหาพระไวยพรให้กันอย่างน้อยแปดสิบ นะกว่ายังน้อยเออมากกว่านั้นทำหลวงตะบัวก็คงจะได้บุญบางคนไม่เอาลำบากออมันจะอยู่ถึงสองรอยก็อยู่ได้ถ้ามันสบายใจเลยมัน อ, อ, อยู่ถึงวันไห น, นก็อยู่ได้มันจะแห้งจะเหี่ยวมันจิตมันก็จ้าใก่อืคือดูร่างมันมันเจ้ามันจิตตัวเดียวเจ้าใส่สดชื่นเบิกบานอือบริกรรมคดโทเพียนไปกัอน อ, อือเพียนเจ้าวน้ะหาที่บางที่หลบกันให้ทิพดาตัดสินให้หาที่บาง คือมันเป็นไปเองมันขึ้นตึกสูงๆบังไว้เหมือนป่าเหมือนกันว่าให้คนเห็นบรรสุดท้ายตรงเนาะที่มันจะเข้าสู่เส้นชัยมันต้องเทพดาพวกอะไรสูงๆมาเป็นผู้จัดศีลมาเป็นผู้ส่งอนุโมทนาท่านโชคดีท่านเชื่อผู้อาวรย์ท่านเฉลหลาบเข้าสู่เด่นมรุญนิพพานไรแล้วนั่นแหละคุณว่ามากันเสี่ยงจนเสี่ยงตัวเพราะว่าเราสร้างบ้าน สร้างเรือนสางที่บนโรลภัยพระภาวนาบนจอดเข้าม่คนที่นั่งก็ดีนอนกะดี้ทิวดามาเทพมามาดุนบรรดาสัตว์สินให้สบายใจเลยแล้วก็บอกคือบอกงอกบอกมูบอกเพื่อนทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นมาเสือบตา ย, ยอดทนตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร ส, สนอนมีสาระโภษนาก็อาเงินเดียวเป็นวัดมันสมบูรณ์แล้วร่องบวงทัพมันหิวขึ้นนะข้ อ, อนนี่แหละพลาเกิดตัวนี้หละ อดไปมามั น, มนสงบเลยมันว่ามันไม่เอาไปเห็นอะไรก็เฉยนิ่งเพราะว่าจิตมันค้นหาตัวจิตะมันมีค้นหาใจตัวเดียวนะอ่ะมันก็พอออกแล้ว่าค้นหาใจตัวเดียวมันจ้าที่ห้เดินทางต่อไปยังไงนันก็ขยับไปเรื่อยความเขียนนั่งสมาธิเขาก็าน่าขยับไปขยับไปอืมเข้มเข้นอยู่ใน ขันสีขันห้า 4, 5, แม่เอาหน่วย 5, มพร่ำให้ก็ก็มาโชคแล้วบางรายก็เห็นโน่นเห็นหนี่คือคุณว่ามีมัดอยู่ในรันห้าแล้วนี่แตะพาเป็นนอนหลับไปบางทีก็ฝันไปสี่สูงห้าไป้มามันชิว มันแน่มันก็ไม่ได้มามันก็รวยสมหมดอันนี้มันมันเป็นตัวลอกให้ซื้อของเราจริงมันก็เป็นของจริงอยู่พรจาร้าเราผมไม่ยึดมันเราก็ไม่ยินดีมันนิมิตฝันเอาของจริงเอาผลทานเอาการกระทําของพวเราเนี่ยมันเป็นของจริงแล้วนั่งมันเป็นอะไรคมันเจ็บมันปวดมันติดมันึิษถ้ามันเป็นอย่างมันก็จริงเพราะมันเป็นเสื่อมของเรายังไมันสงบกันเพี้ยนไปเพี้ยนไปมันก็เข้าหลักทั้งทำอะไรมันก็เย็นไม่มไม่มีกายไม่ ตัวมีตัวหรือพิจารณาจะไปเห็นมัดที่ไหนที่ไหนก็แค่นี้มันระว่างให้มันเสื่อมว่าให้มันอประจิตอารมณ์ของเวรของกรรมาผ่านผานนิพานหรือมันมาผ่านมันมาผ่านกันนั้นมันจึงตัวต่ากันนี้เร็วอมรุดพุทธไปมันหมักไมมร่วงหลุดพุทธลงมาลงมาอะไรไปจับไปกินไปใช้เป็นอยู่อย่างนั้นอม ที่มันหุดออมาใสมาให้ท่านานมาถึงพาถึงเจ้าของทีพทั้งหมดมันได้กินได้ใช้กันได้ใช้ขาดขันแล้วก็สดชื่อเบอิกบานในในอาหารที่กันกองมาเป็นของทีบนั่นเลยเอาพอดีเอาพดดอาพออยู่ได้นะให้พากันเข้าใจในจุดที่ <c oughs> ลูกหลานทางจิตทางใจเต็มร้อยเต็มพันผุดทา ง, ส า, งสาลานาคษามิ ขัดขวางทุกควนละมาโอแเกเ่ปีติใจในสารนาคมสาม ที่เกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่ที่หนึ่งคนเลองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งพระพรทธโสดโทองค์ที่สองพระโกนาคมโนพระกัสโซพระโคตโมองค์ที่สี่เราเรายังไม่ได้ไปเรายังอยู่แต่ผูดคนไปตามแต่และพระองค์พระองค์ยากหรือง่ายกต่ดูดูปัจจุบันนี่เลยคนมาสรุปถึงสามครั้งมันจางวางมันจาง ทั้ห่ทั้งท้นทั้งในตัดต่อรูหั้สอนพวกเรามันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าม่านตัวนี้เวนตัวนี้ภัยตัวนี้มัน <c oughs> บังคับเราโทษวิถีทางทำเร เราเผลอไปก็ไรต้องอเปิ่มเอาผมแปลว่าพอท่านไม่เผลอไปนี้พ่ท่านก็ต่อวุ่นไปอยู่อย่างนี้เลยไม่ถอยไม่เผลอ ค, คือทํางานทําการก็มีสติทุ่งแบบไม่ให้ไปติดไปยึดหารกินเรื่องปากเรื่องท้องเพล่วก็ได้มาัากินมาทานต่อกันไปฝากฟังไว้ในศาสนาเพื่อเราจะได้มาก มันรับมรดกที่เราทำไปนี่รับบารมีที่เราสร้างไปนี่มรดกใจญ่มรดก <c oughs> บุญของพุทธเจ้าที่คุณพาพวกเราทำพาพวกเราอืเฉลิลาพาพวกเรานี้จากทุกอืมพ่อแม่ครูอาจารย์ทุก พ, พ, พระองค์ผู้พาแม่จะดีคือคุณแม่สีแก้วแล้วคุณแม่สีแก้วทั้งฝ่ายผู้หญิงจะมากกว่านั้น อืมหลายมากกว่านั้นเพื่นไม่แสดงออกเพื่อนญาตกิเลสมันมากรุบออกเพื่นก็บอกว่ากูพูดบางลายฟังเทศเ ล, ลยค่ะหลบหายหลบมาเมื่อพูดไม่จากับใครทั้งนี้มันไปประสานกับกิเลสกับกิเลสประสานกับจิตเมันจะเป็นกิเลสมลือเลยค่ะไม่มีพวกเรามานั่งอยู่นี่ถ้ากิเลสกับกิเลสัำผัสกับจิตเรามาทุบรอยสารพัานคมมันมาจนจน เสียหลักจนอนเผ อ, อเผลอมันคันลอกลงแต่ว่าเราได้มาเกิดอย่างนี้ก็บพ่อเผลอคนเราถ้าเรามีสติคุมให้มัน เป็นทุกข์เ่าให้มันไปยึดเพื่าให้มันละหบาดเข้ามองกับอะไรทั้งสิ้นนี่เพราะเราทั้งหลายก็จะได้ขยับเลื่อนในเลื่อนออกจากโลกใบนี้ไปถ้าการเข้าใจเพียนไป่เรื่อยๆนะสางใจเต็มร้อยเต็มพันธุ์้างใจเต็มศรัทธาอาหารหวานข้าวที่ได้รับมาเรียงปากเร่ยงทองของพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นของทิพย์สดชื่นได้่าบรรยายนทำมาได้มาทมาี่ทางให้พวกหลานอยู่ในกรอบของ <c oughs> ขึ้นของทม กอบของศรัทธาของบุญของกุศลศรัทธาเต็มร้อยเต็มพันนะศาถนาประาา skate. มาณนี้เราไปได้แต่ตัวเราแผ่ไปหมดผู้ไม่ได้มาผู้ใดเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้อะไรหน้าดํามืดเหมือนปื๊ดๆเจ้าหมองโผล่มาฟังเสียงอาไปว่าเขาอย่างโน้น่างนี่ทุกอย่างคือเขาให้ทำเขาให้ให้เราหนีให้เราดิดเขาว่าให้เขาให้ธรรมะเข า, าให้เข้าดาเขาให้ทำม า, าห า, าวาห่ า, าบ มันก็ไปหาเขาถ้าเขาไม่ได้พูดเขาก็จะตายแล้วต้องทีํำไม่จำจออไปตกคุ้มตกบอ่อไปเพราะว่ามันห้อนขึ้นไปว่าให้ผู้นเพ่นมีความสุขไปว่าให้ผู้นเพื่อนปฏิบัติธรรมเพื่อนบวาเอาเพราะว่าเวลาการามมันมามันมาอย่างนั้น เอากิลเลสกับจิตมาสัมผัสกันถ้าเป็นกิลเลสไปหมดแล้วไม่มีพวกเรามานั่งอยู่นี่เลยอืมเป็นอะไรก็ไปโตวาทีกันมันจะก่อความไม่จเจริญคือจะพากันตายห้อมกันหมดการทำมันเป็นขึ้นมันจะอย่างนั้นในโลกอนี้ในโลกวุ้นโลกวายโลกมันเทศทิมานะโลกกรรมโลกเวรทั้ว่ามีห้ามสายมาซาล่างจิตใจเราอืมล่างชัปโฟกออก อ, กอจากธาตจากขันธ์วิรามันดา ก็ใจใจงี้แต่ความสุขควรเจริญงานภากันเข้าใจดีใจแล้วก็แต่ชลนาคมสามอย่าทิ้งมันอย่าไปคิดอันอื่นถือคุณพอ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเราได้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแล้วยรได้ทําบุญอันถืกต้องแล้วขอให้ข้าพเจ้าให้ใหใหใหยทุกข์หาสุขหายโรคห้ภัยสุขสบายใจตามอวัตคาสอนตาม <c oughs> ที่เราต้องการเพื่อจะได้นั่งภาวนาเพื่อจะได้ บำเพนจะเดินเมตตาบารมี อ, อมันก็ได้เวลาพอสมควรเพื่อจะได้ทำการทำงานสมควรกับเวลาอีวังก็มีด้วยปก า, วากาลัสนี้